อีกกี่วันจะได้กลับบ้านฮะใจใจกลับไปที่บ้านเยอะไหมหรือไปที่ทำงานซะมากกว่ า, า, าก็ระวังนะวัน ท, ท้ายที่เรา อยู่ปฏิบัตินะบางทีใจมันจะมันจะหนีไปอนาคตบ่อยนะมาถึงว่าเสร็จคอร์สที่นี่แล้วนะกลับไปที่บ้านนะจะไปทำอะไรนะจะไปกินอะไรบางทีไปจะไปเที่ยวที่ไหนนะหรืองานนะที่มันจะต้องกลับไปทาต้องไปเคลียร์คืออะไรนะ มันไปวันนี้นะมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําได้ใช่ไหม <c ười> จิตมันไปนะแต่ตัวเราอยู่ที่นี่นะแต่ใจไปแล้วนะนะให้เรารู้ทันวันนี้บ่อยๆนะไม่ใช่แปลว่าห้ามนะเพราะว่าบางทีมันก็บังคับไม่ได้จริงๆนะใจเนี่ยเป็นอะไรที่บังคับไม่ได้นะยิ่งอยากบังคับนะเหมือนเรา เราไม่อยากคิดอะไรนะบางทีก็ยิ่งคิดนะอะยิ่งคิดเรื่องเรื่องไหนไม่อยากคิดยิ่งห้ามให้มันไม่คิดนะบางทีก็ยิ่งคิดเลยมีอะไรนะมีบางทีเขาเขาบอกว่าให้เราลองดูก็ได้นะบอกเดี๋ยวรู้จักมีแพนด้าไหมเดี๋ยวลอง อ ย, อย่าคิดถึงมีแพนด้าสีชมพูตรูต้ไหมยอย่คิดถึงมีแพนด้าสีชมพูนะอใครเห็นบ้างไหมบอกว่าอย่าคิดนะบางทีกับเห็นภาพมีมีแพนด้าสีชมพูมาเลยนะทั้งที่มันอาจจะไม่มีนะแต่พอบอกว่าอย่าคิดนะถึงมีแพนด้าสีชมพูนะ กับมีมีแพนด้าที่มพูในในหัวนะนั่นแหละบางทีความคิดนะถ้าเราเห็นยิ่งยิ่งห้ามมันมันกับยิ่งมาออ่าอีกอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เพียงแค่ว่ามันมานะแต่ถ้าเราดูดีๆแล้วการห้ามคือเรามีโทสะในความคิดนั้นนะคือมันไม่ใช่แค่ความคิดอะแต่ดังจากที่มันคิดแล้ว มันเกิดโทสะขึ้นในใจนะเกิดความไม่พอใจที่มันคิดมันเลยเป็นคิดซ้อนคิดนะดับเบิลคิดแล้วก็ไม่ใช่แค่ดับเบิลคิดเท่านั้นนะมันเป็นคิดครั้งที่สองเนี่ยมันคิดได้โทสะคิดครั้งแรกเนี่ยมันเป็นของมันเองจิตมันคิดของมันเองเราไม่ได้อยากจะคิดนะจิตมันคิดของมันเองแต่คิดครั้งที่สองเนี่ยมันคิดได้ มีโทสะคือความไม่พอใจนะในความคิดแรกเนะีนะ่ยเนี่ยความหลงเนี่ยมันเหมือนหลงครั้งแรกเนี่ยก็มันจะเรียกว่าอะไรที่จริงถ้าเราไม่ยึดก็แค่เห็นว่ามันคิดของมันเองเออมันก็ผ่านนะมันก็ผ่านนะมันก็นนะกจบแต่ความหลงครั้งที่สองนี่แหละเพราะเพราะเราไม่รู้เท่าทันนะเราก็เลยไปห้ามเขาบ้าง หรือเราก็ไปโกรธตัวเองบ้างที่มันคิดนะอันนี้ยห่ะคือความหลงเนาะเราก็ฝึกให้ทันตัวนี้เนาะอะนนี้ฝึกรู้เท่าทันการที่ไม่ไปไปห้ามความคิดหรือไปโทษตัวเองนะหรือไปโกรธความคิดนั้นแต่อีส่วนหนึ่งถ้าคนไม่รู้ตัวก็คือไหลไปกับความคิดนะนะั่บางทีความคิดเกิดขึ้นมานะถ้าหลงไปก็คือไหลไปกับมัน เหมือนเราตกน้ําแล้วก็ไหลไปเหมือนลูกบอลตกน้นะําเนาะแล้วก็ไหลไปตามกระแสน้ำํำนนี่คือไหลไปกับความคิดหรือไหลไปกับอารมณ์นแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นพวกเหมือนเราตกลงไปในน้ํานะเร า, เราพยายามขี้เกียจต้านน้ําอำต้านน้ําให้มันไม่ไหลเหมือนเราสร้างฝายนะอืมแต่จริงในตอนนั้นอะ เราไปสร้างฝายมันไม่ทันดอกแล้วก็เหนื่อยฟรีๆแต่สิ่งที่เราทําคนทำได้คือออกมาจากน้ํามาอยู่ฝั่งเมื่อกี้เราไม่ได้ตกลงไปในน้ำนะเมื่อกี้เราอยู่ที่ฝั่งเราเพียงแค่เผลอพาใจมันไหลเข้าไปในอารมณ์แต่การที่เรามีสติรู้ตัวเหมือนก็แค่ปีนขึ้นมาบนฝั่งใหม่น้ํามันจะไหลไปทางไหนเรื่องของมันเลยนะ กระแสความคิดก็เหมือนกันมันจะไหลไปทางไหนเรื่องของมันเลยนะการมีสติเหมือนเราออกมาอยู่บนฝั่งนะน้ำจะไหลเชี่ยวหรือไห ล, อหลเอือไหลเอื่อยมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราไปตกไปอืดกับมันแล้วก็ไหลไปกับมั น, ป, มนปัญหาคือเราไปต้านมันไม่พอใจมันนี่การที่เราฝึกรู้ทันแบบนี้ไปบ่อยเราซ้อมที่จะ ออกมาจากความคิดบ่อยๆนะเห็นมันเป็นแค่เป็นอาการไหลไปจาบเหมือนกระแสน้านะกระแสน้ำเปรียบเหมือนกระแสความคิดหรือกระแสอารมณ์อะไรก็ได้นะนะเราก็แค่เห็นมันนะออกมาบ่อยๆฝึกในการออกมาบ่อยๆนั่นแหละเราอยู่บนฝั่งเป็นที่ที่ปลอดภัยนะนะเราฝึกแบบนี้นะจิต ต, ต่อไปมันพอมันจะ พัดตกลงไปในกระแสนะมันรู้ตัวมันเหมือนจะตกไปนะมันเกาะได้นะฮะเกาะได้นะกลับมาได้กลับมาได้ไดนะนี่คือมันเป็นสิ่งที่มันก็อาจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราต่อไปเองแหละนะเมื่อเวลาเราเกี่ยวข้องกับผู้คนเราเจอสิ่งที่มันกระทบเข้ามาบางทีก็คือเช่นเขาวิจารณ์นะ เราเกิดการสะเทือนใจอย่างไรนะ่ะเราก็จะเห็นอ้อบาทีใจเราก็เป็นสะเทือนกับความไม่พอใจกับความโกรธอะไรนะกับความเสียใจสมนะี่ยนั่นคือไหลไปกับคําวิจารณ์เขาคําตําหนิเขานะ่ะหรือแม้แต่คําชมนะหรือความสําเร็จนะ่ะถ้าเราไม่ทันก็คือไหลไปไหลไปกับคําชมนะไหลไปกับความมานะ ตัวตนว่าเราดีเราเก่งเราแน่มันก็ไหลไปได้นะไหลไปได้นะในในทางในทางที่เราจะต้องไปไปเชิญนะนะสิ่งที่ภาษาพระเนาะนะเรียกว่าโลกธรรมนะโลกธรรมคือจะเรียกว่าพูดง่ายว่าไฟบวกแล้วก็ไฟลบที่เราต้องเจอนะนะ นินทาสรรเสริญสุขทุกขได้ราบเสื่อมราบได้ยศเสื่อมยศนะ่ยคือมันเป็นเราต้องเจอนะอ่ะบาบางวันเราเจอด้านบวกบางวันเราเจอด้านลบหรือแม้แต่วันหนึ่งบางทีก็เจอหลายด้านนะหลายตัวนี่คือโลกกระทำนะโลกถ้าพูดง่ายๆนะมันเป็นเรื่องของโลคที่ต้องเจอนะถ้าเราไม่มีสติเนะี่ะจะเรียกว่า เราจะถูกความสิ่งที่มันเป็นโลกตรงแบบนี้แหละมันกระทำเรากระทำให้เราสุขให้เราทุกข์ให้เราเสียใจให้เราดีใจนะแต่ถ้าเรามีสตินะเราจะรู้เท่าทันโลกกระทำไม่ถูกโลกกระทำย่ำยีเรานะคือมันเออได้ ก, ก็ก็รู้ทันเสียก็รู้ทันนินทาก็รู้ทัน ารรเสริญก็รู้ทันเนี่ยมันจะไม่ถูกกระทาย่ำยีนะมันก็เหมือนจิตมันมั่นคงอ่ะพอปฏิบัติเรื่อยๆนะจิตมันมันตั้งมั่นมันมั่นคงนะอืมคนจะพูดอะไรบางทีไม่ใช่แปลว่าเราไม่มีความรู้สึกนกคิดนะแต่มันเหมือนมันรู้สึกข้างนอกมันรู้สึกนะแต่มันไม่ได้เข้าถึงข้างในนะออ อาจจะมีความดีใจมีความเสียใจนะมีมีความอะไรเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่แต่มันเหมือนมีแบบเหมือนเป็นแค่เรียกว่าเป็นเวทนานะหรือเป็นอาการของจิตนะแต่จิตลึกๆแล้วพอมันรู้ตัวมันก็รู้สึกเลยว่ามันเป็นแค่อารมณ์ที่เป็นเปลือกข้างนอกเปลือกข้างนอกนะมันก็แพร่ก็รู้สึกอยู่นะไม่ใช่แปลว่า เขาชมนี่ก็แบบหน้าเดียวอะไรนะนะเพราะว่าก็หน้าเดียวไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่แต่มันเหมือนรู้ทันตัวเองนะรู้ทันตัวเองว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาถ้ามันวันไวเราก็รู้ทันถ้ามันไม่หวันไวเลยบางทีก็เฉยนิ่งอยู่ก็ไม่ใช่แปลว่าเฉยนิ่งแบบกดข่มอารมณ์หรือความคิดแต่มันเฉยเพราะมันเฉยของมันเอง ไม่ใช่เฉยแบบอยากเฉยอ่าไม่ใช่เฉยเพราะว่าคิดว่าเราต้องเฉยบางทีก็มีนะคือเราคิดว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอ่อันนี้บางทีก็เป็นความทุกขนะ์นะบางทีคนดีนะบางทีก็ทุกข์เพราะว่าคิดว่าเราต้องเช่นเราต้องเงียบเราต้องไม่พูดเราต้องนิ่งๆอะไรนะ บันทีก็เป็นความทุกข์ของคนดีนะที่แบบคิดว่าเราต้องเป็นแบบนั้นเราต้องสร้างภาพแบบนั้นที่จริงข้างนอกนะอาจจะพูดได้นะอาจจะคัดค้านได้แต่ใจเนี่ยแหละทำด้วยความไม่โกรธทำด้วยความไม่คือไม่เกลียดอะเราทำหน้าที่ในการ มันเราทําหน้าที่แต่เราไม่ได้ทําหน้าที่ด้วยอารมณ์อันจะมาตอนก่อนบวชนะไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกแล้วก็แต่ตอนนั้นฝึกแบบอานาปานสติแต่ก็ไปตอนนั้นเป็นนักศึกษาก็ก็พอดีได้มีมีช่วงถามตอบกับพระอาจารย์หลายรูปเยอะแล้วคร น, นี้แบบพอดีเราก็ติดใจตอนนั้นเราก็สนใจเรื่องเรื่องงานทางด้านสังคมด้วย แต่ก็สนใจเรื่องเรื่องศาสนาเรื่องปรัชญาด้วยแต่บางทีมันก็สับสนนะคือบางทีเราคิดว่าคนที่ศึกษาธรรมะคนสนใจศาสนาคือมันต้องปล่อยวางต้องวางเฉยแบบไม่ทำอะไรเลยนะมันก็สับสนอยู่บ้างแต่ก็แต่ก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ <laughs> เพราะมิง้นสังคมก็คงแบบวุ่นวายแล้วก็มันก็อะไรอะทำอะไรไม่ได้เหรออะไรเนะี่ย แต่นั้นก็มีเหตุการณ์ที่เป็นตัวอย่างตอนนั้นรู้สึกมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องชาวประมงแบบพื้นบ้านที่เขาเขาเขาคล้ายๆแล้วมีการแก้กฎหมายใหม่ให้แบบเรือประมงที่แบบขนาดใหญ่เข้ามาทำมาหากินได้แบบลุกล้าเขตประมงพื้นบ้านน่ะคือเข้ามาในรัศมีที่ใกล้ชายฝั่งมากเกินไปประมาณชาวประมงพื้นบ้านก็เลยประท้วงเนี่ย มันก็สึกเน็เลยยกตัวอย่างเคสแบบนี้ขึ้นมาว่าเนะี่ยเราปฏิบัติทมด้วยเราสามารถประท้วงแบบนั้นได้หรือเปล่าได้ไหมอืมก็แบบสมมติเราเป็นสมมติเราเป็นชาวประมงเราถูกลุกล้าที่ทำกินหรือว่าติดธิถูกดิ้ดรน ล, ลงไปเนะี่ยเราสามารถประท้วงได้ไหม <c oughs> <c oughs> ได้นะอ่ พระอาจารย์นั้นนะคนก็ตอบดีนะประทวงได้แต่ก็ทํำด้วยใจที่ไม่โกรธไม่เกลียดเขาออืแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือว่าแต่เราประท้วงแล้วมันจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมาถึงก็ต้องวางใจยอมรับได้ด้วยว่าเราคัดค้านเราประท้วงอาจจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ย ขนาที่เราประท้วงเราก็สามารถที่จะที่จะเรียกว่าทํำด้วยใจที่ไม่โกรธไม่เกลียดเขาอืมแล้วผลที่มันตามมาจะสําเร็จไม่สําเร็จก็ยอมรับให้มันได้ด้วยไม่ใช่แปลว่าเราต้องเราจะต้องเฉยเราจะต้องนิ่งเราต้องไม่ทําอะไรเลยเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญนะมาพอ พอได้ฟังคําตอบแบบนีน้มันก็เคลียสิ่งที่เราคิดว่าอ้อที่จริงธรรมะกับกับชีวิตจริงๆมันไปด้วยกันได้ไม่ใช่แปลว่าพอเราศึกษาธรรมะเราสนใจธรรมะคือมันจะต้องแบบยอมใครๆยอมรับกับทุกอย่างที่แม้แต่เรื่องที่มันไม่ถูกต้องก็ไม่ใช่แปลว่าเราจะยอมรับแบบไม่ทําอะไรเนาะ แต่เราทําแบบผู้ที่มีธรรมะไม่ใช่ทาแบบอธรรมนะคือเขาเขาแรงมาเราก็แรงไปใช่อืมเขาผิดบางทีเราก็ตอบโต้แบบผิดผิดไปอนะี้อันนี้คือเราก็ใช้วิธีแบบอธรรมเข้าไปต่อสู้เขาอันนั้นก็ไม่ใช่แต่เราก็ใช้ใช้หลักธรรมะเข้าไปเข้าไปเรียกว่าไปทาหน้าที่ ในแต่ละด้านของเราแต่มันก็อยู่ในความไม่แน่นอนของโลกนี่แหละมันก็ไม่ใช่แปลว่าธรรมะจะต้องชนะอธรรมในเชิงว่าเป็นรู ป, ปรธรรมว่ามันต้องสําเร็จนะอืมแต่ธรรมะนี่มันไม่ใช่ไปการไปชนะแบบเป็นรู ป, ปรธรรมแบบนั้นแต่มันชนะใจตัวเองนี่แหละมันชนะใจตัวเราเองที่เราสามารถที่จะแม้เขายั่วให้เราโกรธ แต่เรายังดูเรายังไม่โกรธเขาได้เนี่ยคือมันมันชนะใจตัวเองได้แล้วคนที่มีธรรมะจริงๆเขาเห็นการกระทําของคน่คเนี้ยเขาก็ชื่นชมนะอแต่ถ้าคนไม่มีธรรมะก็อาจจะไม่ได้ชื่นชมเอเอเขามายุ่งให้เราโกรธเราไม่โกรธก็ได้นะนี่คือไอ้มานิพูดเป็นตัวอย่างคร่าวๆมาบางคนอาจจะมีความสงสัยเรื่อง เรื่องการเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตของเราจะใช้อย่างแบบไหนมาว่าแต่จริงเราเราได้ยินในฟังมาบ้างแล้วก็พอเราปฏิบัติไปด้วยบ้างมันจะเกิดความเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าการกระทำนะสิ่งสำคัญจริงจริงมันมันออกมาจากใจนะถ้าเราสามารถที่จะมีสติดูแลรู้เท่าทันจิตใจได้เมื่อ เมื่ออกุศลหรือกิเลสมันเกิดขึ้นมาเราสามารถรู้ท้อทันตัวนี้ได้มันอกุศลพวกนั้นมันไม่งอกงามกุศลมันงอกงามขึ้นมาแทนที่นะหรื อ, อบางครั้งก็ทําด้วยความปกติเฉยๆนั่นแหละมันมันไปทําหน้าทีนะ่ขนาดที่ใจที่มีกุศลหรือใจที่ปกติทําหน้าที่เราก็สามารถที่จะทําหน้าที่อย่างที่อย่างมีประสิทธิภาพได้แล้วก็ แต่ก็อีกใจอีกส่วนหนึ่งก็รู้รู้แบบคล้ายๆเตรียมใจล่วงหน้าไปก่อนเลยว่ามันได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะเมื่อมันถ้าเราเตรียมใจล่วงหน้านะอ๋อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเหมือนเตรียมใจไปแล้วนะอแต่ถ้าเราคาดหวังแต่ว่าได้เนี่ยมันอาจจะเสียใจสักหน่อยนะเหมือนโยมเคยซื้อลอตเตอรี่ไหม เคยซื้อไห ม, มหรือเสียงโชคนะอืมลองดูงวดไหนที่เราแบบได้แน่นอนเนี่ยเป็นไงพอมันไม่ได้เป็นไงมันมันก็เสียใจเนาะแต่ถ้างวดไหนแบบไม่มั่นใจก็ซื้อซื๊บพิงัันแหละนะได้ไม่ได้อ่พอมันไม่ได้มันก็ก็คิดไปได้อะว่าอาจจะไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> มันก็ไม่ทุกมากนะ แต่ถ้าอะไรที่เราคาดว่ามันได้แน่นอนสาเร็จแน่นอนเนี่ยมันก็เตรียมใจที่ว่าถ้ามันมันอาจจะผิดหวังก็ได้นะถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะหรือบางทีเราสมหวังก็จะเป็นสมหวังแบบกระโดดโล ด, ด, ด, ดเต้นไปมากเกินไปแต่ถ้าเราเผื่อใจสาเร็จไม่สาเร็จได้ไม่ได้เผื่อใจถึงความไม่แน่นอนอืม จิตใจแล้วก็ อ, อ, อยู่กับมันได้หรือถ้าคาดหวังมากก็ต้องเตรียมตั้งสติให้ทันมากๆตอนที่มันจะออกผลเพราะไม่งั้นถ้าสติไม่ทันเนี่ยก็จะเสียใจก็จะทุกข์ใจมากนะอันนี้คือในชีวิตการทำงานเนาะเราจะเอาสติไปใช้อย่างไรบ้างเนาะก็พูดพูดให้เราคลายความ กังวลใจแล้วก็ให้เราได้มั่นใจว่ามันสามารถเอาไปใช้ได้เนาะแต่วันสองวันนี้ก็วางไว้ก่อนอย่าพึ่งไปคิดเรื่องงานเรื่องอนาคตอะไรมากเอาเอะดูอยู่นะงานนะวางไว้ก่อนนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเอาไปด้วยอกลับไปก็เอาไปทําหน้าที่ต่อแต่ตอนนี้พอมันคิดขึ้นมาให้รู้ ท, ทันในการวาง ตอนนี้แล้วต่อไปในชีวิตของเราอะ่ะเราจะสามารถวางงานวางเรื่องอะไรต่างๆได้เป็นช่วงๆเลฮคคือบางทีเราก็ต้องรู้จักวางเช่นกลางวันเราทํางานพักเที่ยงน่ะรู้จักวางซะบ้างอยู่กับการกินข้าวอยู่กับการใช้ชีวิตอย่างอื่นกลับไปที่บ้านก็วางงานไว้บ้างนะ เราใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวนะกับต้นไม้กับหมากับแมวนะ่ะคือมันเป็นการมันไม่ใช่ฝึกงานการวางงานตอนที่แบบเรากรเกษียณแล้วเราไม่ได้ทํางานนี้แล้วนะแต่มันเป็นการวางทีละขณะที่ที่มันไม่จําเป็นต้องคิดเนะอืมถ้าเราสามารถวางแบบนี้ได้นะอ่ะมันก็เหมือนหลวงพ่อพุทธทาสนะท่านนะาเหมือนว่าแบบคือ งานมาเสร็จทุกวันงานที่ท่านทำเนี่ยเสร็จทุกวันนะคือท่านวางทุกวันทำก็วางทุกวันทุกขณะนะบางทีก็อาจจะเข้าใจยากนะคําว่าทําด้วยจิตว่างทําด้วยจิตว่างคือมันเป็นการว่างจากจากจากเรียก ว, ว่าจากตัวตนเนาะอ่ เป็นการว่างจากการยึดมั่นถือมั่นทำงานว่างจากตัวตนท ำ, ทำงานว่างจากการยึดมั่นถือมั่นแต่มาว่าคนส่วนใหญ่มันคงมีตัวตนอยู่ในงานอยู่แต่บางทีเราอาจจะเริ่มฝึกวางเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะแล้วต่อไปเราก็จะเห็นว่ามันมีตัวตนเข้าไปแทรกในงานมากน้อยขนาดไหนเรา เราก็จะได้ฝึกที่จะดูอันนี้เรามีตัวตนเรามีอิโกโ้เรามีอะไรเข้าไปยึดใ น, ในผลงานในชีวิตในอะไรต่างๆของเราเนะี่ยเราก็จะได้เห็นมากขึ้ น, นเรื่อยๆแต่นะเหมือนคล้ายๆเราค่อยๆฝึกวางทำอย่างอื่นก็วางก็ให้อยู่กับการทำสิ่งนั้นน ะ, นะกินข้าวแปรงฟันเดินออกกำลังกายทำอะไรก็ จิตอยู่กับสิ่งที่ทำนะวางสิ่งอื่นไว้ก่อนวางงานในอนาคตวางไว้นะเพราะชีวิตอะของเราถ้าแบบโดยเฉพาะชีวิตคนทำไมเนะี่ยบางทีงานเยอะเรามีเรามีฤทแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างบางทีจิตของเราเนี่ยแบบมันมันร้อนนะหลายคนะโดยเฉพาะคนที่ใจร้อน มันพุ่งไปงานต่อไปทํางานที่สองมันพุ่งไปงานที่สาั้ำงานที่สามพุ่งเป็นงานที่สี่นะมันพุ่งไปข้างหน้าไม่เคยอยู่กับปัจจุบันแต่การฝึกสติบางทีมันเหมือนแรกๆมันต้องฝึกเหมือนดึงตัวเองอยู่ให้มันช้าลงนิดนึงนะอ่ดึงให้ช้าสักหน่อยนะแต่ไม่ใช่ช้าแบบเฉยนะแต่เหมือนดึงอ่ะ เหมือนเดินนะ่ะบางทีพอเราเรีบเนานะเราจะเผลอเดินเร็วอพอเราเรีบเราจะเผลอเดินเร็วบางทีเราเรีบเราก็จะเผลอพูดเร็วอพูดเร็วเพราะความคิดมันเร็วนะเราเราเลยแบบความคิดมันเด้งให้เราพูดเร็วอนะ่างนัะนอ่าพอเราเรีบจะไปทําอย่างอื่นเราก็เลยรีบกินข้าวรีบกินน้ำํำบางทีเราต้องเบรกตัวเองวนะ่ะอืาะ พอรู้ตัวว่ามันเริ่มเร็วและวเแบรบมทําให้มันช้าลงอตั้งใจทําในสิ่งนั้นมากขึ้นเนี่ยคือเป็นการฝึกในชีวิตของเราจริงๆเลยนะอืมเริ่มจากการฝึกอยู่ที่นี่แหละต่อไปก็ไปฝึกต่อมันต้องฝึกครับเพราะว่าบาทีเราก็เคยชินกับแบบนั้นมาหลายหลายปีเราคือเราจะไปคาดหวังตัวเองแบบเกินไปนะ คนอื่นอาจจะคาดหวังเราก็เป็นเรื่องของเขานะหมายถึงว่าเรามาปฏิบัติทำแค่เจ็ดวันนะมันไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตจิตใจทั้งหมดนะมันไม่ใช่เราจะเปลี่ยนเครืมเคยชินได้ทั้งหมดแต่มันเหมือนเราได้ฝึกเราได้ฝึกตรงนี้แล้วก็เรารู้แล้วว่าเราจะไปฝึกต่ออย่างไรเนะี่ยเราฝึกต่อแบบนี้ต่อนะมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนนะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตนะ พอจิตเราอยู่กับปัจจุบันได้เยอะๆนั่นแหละมันจิตมีความตั้งมั่นจิตมีความสงบนะสงบจริงๆสงบนี่ไม่ต้องไปหาที่สงบเลยนะเหมือนเหมือนพอเราอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันได้เนะี่ยมันคือมันสงบคือจิตไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตนะมันสงบอยู่กับปัจจุบันมันตั้งมั่นฮนะมันจะพบความสงบได้ ได้เยอะมากนะพอจิตอยู่กับสิ่งที่ทํำบ่อยๆนะ่ะความวุ่นวายนะมันเหมือนมันเหมือนเป็นความวุ่นวายข้างนอกมันเข้ามาไม่ถึงใจหลวงพ่อคำเขียนท่านเปรียบเทียบอุปมาอุปไมได้ได้ชัดนะท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนเหมือนเราอยู่ในมุง้งบินมันยุงมันบินตอมมุ้งฮนะแต่มันเข้ามาไม่ถึงตัวตัวเราอะ่ะ คือความวุ่นวายมันเกิดขึ้นที่ข้างนอกแต่มันเข้าไม่ถึงใจเราอยู่กับโลกที่วุ่นวายนะแต่มันเหมือนเป็นสิ่งข้างนอกที่มันมันเข้าไม่ถึงใจอันเนี้ยเราจะพบความสงบได้นะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนี่แหละนะเราจะพบได้เออเมื่อเราเมื่อเรามีสติเราก็พบความสงบในในทุกก้าวในทุกการกระทําของเราได้ แม้บางทีเผลอไปบุ่นวายกับเขาเราก็มีสิทธิ์ที่กลับมาได้อ่ะเปลี่ยนกลับมานะที่จะรู้สึกตัวได้เนยะให้เราฝึกฝึ ก, กทำไปเรื่อยเราจะเห็นเห็นสภาวะพวกนี้ที่มันหลงไปบ้างกลับมาจนหลวงพ่อคําเขียนท่านสรุปว่าที่จริงแล้วมันมีในชีวิตนี้นะอันนี้แบบในแบบสมมุติ แบบแบบในภาคปฏิบัตินะไม่ใช่แบบปฐมัตน์ถึงที่สุดนะแต่หมายถึงว่าท่านสรุปให้ฟังนะชีวิตในการปฏิบัติ จ, จริงๆนะมีแค่สองอย่างมีแค่รู้กับหลงถ้าตอนนี้ไม่รู้เนะี่ยก็คือหลงถ้าตอนนี้ไม่รู้ตัวเนะี่ยหลงแต่จะหลงหลงดีบ้างหลงไม่ดีบ้างนะยังหลงเหมือนเดิมไม่รู้ตัวแต่ถ้าตอนนี้หลงมันก็คือไม่รู้ แต่มันก็มีในแง่ดีคือว่าแต่ถ้าเมื่อไหรที่เรารู้มันก็เปลี่ยนจากรู้เป็นหลงได้นะบางทีจะมาเปรียบเทียบว่าเหมือนเหมือนเก้าอี้ดนตรีอ่ะมันมีตัวสุดท้ายนะคือปัจจุบันนธรรมขณะหนึ่งคนจิตเนะี่ยเหมือนเก้าอี้ตัวสุดท้ายมีคนสองคนแย่งนั่งเก้าอี้กันระหว่างตัวรู้กับตัวหลงนะที่จริงอนะ่ะ สติที่เป็นตัวรู้ที่จเป็นเจ้าของก็อีนนะแต่เราเผลอรุกขึ้นไปน่นและตัวหลงมาเสียบทันทีเนี่ยเสียบทันทีแต่ถ้าเมื่อไรเรารู้ตัวว่าเราเผลนะเหมือนเรามีกำลังพอนะ่มันเบียดกับมันนั่งได้นะมันก็สลับกันไปสลับกันมามอย่างี้แหละจิตนะก็เลยมีแต่ตัวรู้กับตัวหลงเท่านั้นเองนะนั้นเราก็เลือกเอาว่าชีวิตเราจะใช้ชีวิตด้านรู้หรือด้านหลงนะ ชีวิตก็อ่าก็เป็นการฝึกบ่อยๆเป็นการฝึกบ่อยๆนะก็นะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับตอนนี้ก่อนนะอยู่กับการฝึกก่อนนะเดี๋ยวได้เอาไปใช้แน่นอนนะน ะ, นะก็ฝากไว้